เช่นจะนึกถึงพุโทโธธรรมโมสังโฆสักคำหนึ่งก็นึกไม่ได้อย่างเนี้เราเรียกว่าหลงทำการะกิริยาตายเป็นคนที่ตายอย่างคาสติสัมปัญญะตายอย่างปราศจากที่ยึดเหนี่ยวที่เป็นบุญที่เป็นกุศลบุคคลที่ทําการกิริยาตายนั้นท่านกล่าวว่าย่อมมีคติไม่ดีส่วนมากแล้วก็มักจะไปสู่ทุกขติเช่นอย่างไปเกิดเป็นสัจนะโรคบ้าง เป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างเดรัจฉานบ้างอย่างเนี้ยเพราะว่าหลงทำการาตริยาตายแต่ถ้ามีศีลแล้วไม่หลงอย่างน้อยก็มีสติสัมปชัญญะว่าเราใกล้จะตายแล้วเมื่อใกล้จะตายแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้ทำใจของตนเองนี้ให้สงบทำจิตของตนเองให้ผ่องใสจะนึกถึงพระพุทธนึกถึงสระธามระสง หบุญกุศลที่เราทําก็ตามยังมีโอกาสได้นึกถึงอยู่และก็ตายไปด้วยอาการอันสงบคือตายอย่างคนที่มีสติสัมปชัญญะถ้าตายอย่างนี้แล้วไม่ต้องกลัวตกนรกไม่ต้องกลัวว่าจะไปเกิดในนรกหรือเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานย่อมได้ไปสู่สุคติแต่อันนี้ก็ต้องอาศัยความเป็นผู้มีศีลจึงจะสามารถตายอย่างคนมีสติสัมปชัญญะได้ถ้าไม่มีศีลแล้วก็ลําบาก ราะว่าไม่มีที่ยึดเหนีย่ยวอันนี้สง์ข้อที่ห้าย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์สุขติโลกสวรรค์ก็คือได้ได้ไปเกิดในกติที่ดีสุสุเนี่ยแปลว่า ด, ดีกติแปลว่าที่ไปหมายความว่าคนที่ได้ไปสู่สุขติก็คือไปในที่ที่ดีที่ที่ดีก็มีมนุษย์มีเทวโลกปรมโลกในเรียกว่าสุขติภูมิ จะมากาเป็นภูมิที่ดีนี่เป็นอณิสงข้อที่ห้าในจำนวนอณิสงข้อทั้งหมดห้าข้อนี้ท่านทั้งหลายจะพิจารณาได้ว่าผลที่เราได้รับจากการรักษาศีลเนี่ยเราได้ผลถึงห้าประการอย่างนี้แล้วผลทั้งห้าประการเนี่ยเราจะหาอย่างอื่นโดยที่เราไม่มีศีลได้หรือไม่ ให้ท่นทั้งหลายลองคิดดูก็แล้วกันว่าเราไม่เอาสีนละเราจะเอาเงินสีนเราไม่เอาเงินที่ท่านมีอยู่ซื้อได้ไหมทั้งห้าอย่างนี้ซื้อไม่ได้ซื้อสวรรค์ก็ไม่ได้ซื้อความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะก็ไม่ได้ซื้อความแจ้วกล้าไม่ต้องเก้อเขินในที่ประชุมก็ไม่ได้ ซื้อชื่อเสียงอันดีงามก็ซื้อไม่ได้เราจะซื้อโพคะคือความไม่ประมาทก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามีแต่จะให้โทษตั้งแต่ความประมาทเป็นต้นไปอย่างบางทีโพคะก็ทาให้เราประมาทเหมือนกันมีโพคะมากแล้วก็เลยประมาทมัวเมาไม่คิดสร้างบุญสร้างกุศลไม่คิดที่จะทำอะไรต่งางๆ เช่นอย่างเรามีเงินเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากเราก็เลยตั้งตนอยู่ในความประมาทในเรื่องเหล่านี้เราคูไม่ได้ด้วยเงนินแต่ถ้าท่านเป็นผู้มีศีนเพียงห้าข้อเราได้เหล่านี้มาทั้งหมดเพียงแต่เราลงทุนว่าเราเนี่ยจะรักษาสีนอย่างเคร่งครัดเพียงห้าข้อหรือแปดข้อเราได้มาแล้วอา น, นิสงส์ถึงห้าอยา่างถ้าพูดมานักเศษษษษษษษกรษฐกิจก็เรียกว่าลงทุนแล้วไม่ขาดทุน เราลงทุนแล้วไม่ขาดทุนนะได้ได้ประโยชน์ถึงทั้งห้าอย่างอย่างเนี้ยทําไมเราจะรักษาศินกันไม่ได้นอกจากนี้คือนอกจากอันดิสง์ทั้งห้าประการนี้พระพุทธองค์ยังตรัสไว้คือตรัสแก่พระสงฆ์อย่างอื่นพระสงฆ์ว่าอุลระบุตรบอกพวกอุลระบุตรในาศาสตรสนานนี้ไม่มีที่พึ่งอย่างอื่น นอกจากศีลเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งได้หรือไม่มีอานิสงส์อันใดในโลกนี้จะสูงเท่ากับอานิสงส์ของศีลของความเป็นผู้มีศีลนอกนัานยังจบตัวอย่างเช่นพระพุทธองค์ตรัสว่าแม่น้ำคงคายะมุนาอัิระวดีหรือยมนา แม่น้ำทั้งหลายเหล่านี้ไม่สามารถที่จะชำระ บ, บนทินของสัตว์ได้ไม่สามารถชำระมนทินของสัตว์ได้แต่ว่าสีนั้นสามารถที่จะชำระมนทินของสัมพสสัตว์ได้ก็หมายความว่าน้ า, าทั้งหลายเนี่ยที่เราได้ใช้สอยกันอยู่จะเป็นแม่น้ำสายไหนก็ตามถ้าจะพูดในปัจจุบันจะเป็นแม่น้ำเจ้าพญาจะเป็นแม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำสายไหนทั้งหมดหรือแม้แต่ น, น้ำประปาที่เราใช้ที่บา้านน้ำฝนที่เราใช้ที่บา้านก็ไม่ใช่เป็นเครื่องชําระบนทินของศัตว์หรือไม่สา ม, มารถที่ยะชาระบนทินของสัตว์ได้แต่ว่าศีลเป็นเครื่องชําระบนทินของศัตว์ได้มนทินในที่นี้ก็คือความเศร้าหมองหรือความชั่วต่าง เราจะใช้น้ําอะไรมาล้างความชั่วในตัวของคนเนี่ยให้หมดไปไม่ได้แม้บางท่านจะทาบาปทํากรรมมากแล้วก็ไปให้หลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้รถน้ำมนให้ก็าตามน้ำมนของหลวงพ่อนั้ น, น, นก็ชําระความชั่วของตัวเองไม่ได้ต่อให้หลวงพ่อเก่งสักแค่ไหนก็ชําระไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเป็นผู้มีศีลศีลนั่นแหละจะชําระมวลทินที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ เพราะบุคคลที่ประกอบกรรมทาชั่วนั้นก็ถือว่าเป็นคนสร้างมลทินให้แก่ชีวิตของตนเองและการชรําระมลทินเช่นนี้น่ะไม่ใช่เอาน้ํามาชําระต้องชําระด้วยการเป็นผู้มีศีลศีลเท่านั้นที่ล้างมลทินของศัตว์ได้พระพุทธองค์ได้หยิบยกตัวอย่างถึงแม่น้ําและไหลาสายมาว่าเนี่ยชําระมลทินของศัตว์ไม่ได้ต่อนอกจากนั้นยังตรัสยกตัวอย่างเช่นแสงจันทร์ ในยามเวลาขึ้นขึ้นเราชอบแสงจันเพราะว่าเย็นสบายดีไม่เหมือนแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์นะร้อนแสงจันเย็นตลอดจนเครื่องประทินผิวต่างๆสมัยก่อนก็ใช้จันแดงว่าเป็นเครื่องที่ระงับความร้อนได้ทำให้เกิดความเย็นขึ้นแต่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าบรรดาความเย็นทั้งหลายแม้ถ้าหากว่าในสมัยนั้น ถ้ามีแอร์ใช่ก็คงจะหยิบยกตัวอย่างว่าแม้แต่แอร์คอนิชั่นที่เราติดตามห้องอันโอโถงทั้งหลายเหล่านั้นนะขนาะเย็นจนน้ําหยดนะ่ะก็ไม่สามารถจะระงับความเร่าร้อนในใจของบุคคลผู้ทําความชั่วได้คนที่ทําความชั่วแม้จะอยู่ในห้องแ อ, อร์โอทงสัเพียงใดก็ตามก็ไม่ใช่ว่าใจจะเย็นไปตามแอร์ด้วยมันเย็นไปไม่ได้อากาศก็ไม่สามารถจะช่วยให้เย็นได้ ท่านบอกว่าแม้แต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็หาได้เป็นเครื่องระ ง, งับดับความรุ่มร้อนที่เกิดขึ้นในจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ไม่แต่ว่าบุคคลที่มีศีลแล้วศีล น, นั่นแหละสามารถที่จะดับความเร่าร้อนต่างๆของสรรพสัตว์ได้ศีลเป็นของที่ประเสริฐและเป็นสิ่งที่เย็นที่สุดแต่ว่าประเสริฐเย็นที่สุดนี่ก็หมายถึงว่าถ้าบุคคลใดเป็นผู้มีศีลแล้ว บุคคลผู้นั้นจะมีชีวิตที่เยือกเย็นที่สุดหรือจะมีความสุขอันเย็นที่สุดจากความเป็นผู้มีศีลนี่พระพุทธองค์ได้ยกตัวอย่างขึ้นมาถึงเรื่องของการดับความเาร้อนต่างๆหรือความกระวนกระวายต่างๆทุกสักเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมาดับความเาร้อนได้ดอกนอกจากศีลเท่านั้นเพราะศีลเป็นของเย็น นอกจากนั้นยังหยิบยกตัวอย่างถึงเรื่องของกลิ่นเช่นอย่างกลิ่นต่างๆที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นน้ําหอมยี่ห้อใดๆก็ตามที่เราใช้กันอยู่เพื่อให้เกิดความหอมอบอวลขึ้นถ้าบอกว่ากลิ่นทั้งหลายเหล่านี้จะหอมได้ก็หอมได้ตอนที่มีลมพัดหรือลมพาไปเท่านั้นเช่นอย่างเราอยู่ใต้ลมเนี่ย ผู้ที่มีกลิ่นตัวหอมอยู่เหนือลมเราก็มีโอกาสได้สัมผัสกับกลิ่นที่หอมเหล่านั้นหรือของหอมที่อยู่เหนือลมก็ลมก็สามารถจะพาเอากลิ่นมากระทบกับจมูกเราทําให้เราสามารถได้สัมผัสกับกลิ่นอันหอมเช่นนั้นได้เรียกว่ากลิ่นหอมทั้งหลายก็ได้แต่หอมตามลมแต่ว่าหอมทวนลมไม่ได้แต่กลิ่นของศีลนี้ท่านบอกว่าหอมทวนลมได้ที่ว่าหอมทวนลมได้เนี่ยหมายถึงว่าผู้ใดที่อยู่เหนือลมก็ยังได้กลิ่นศีล กลิ่นน้ำหอมนานาชนิดเนี่ยหอมทวนลมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอะไรทั้งหมดแต่ว่ากลิ่นของศีลนั้นหอมทวนลมได้สำนหลายเราคิดดูว่าผู้ที่มีศีลนั้นย่อมมีกลิ่นหอมหอมทวนลมในพูดถึงหยิบยกตัวอย่างแล้วก็ยังกลับถึงเรื่องของอานิสงส์ของศีลอีกว่าไม่มีบันไดอะไรในโลกนี้ดอกที่จะพาให้เราตายเข้าไปสู่สวรรค์ไม่มี ไม่มีบันไดอะไรที่จะทำให้เราไปสู่สวรรค์ได้พอให้นั่งเอาพอลลไปด้วยก็ไปสวรรค์ไม่ได้ไม่มีทางแต่ถ้าบอกว่าศีลเนี่ยเป็นบันไดที่สาคัญที่จะทำให้เราเนี่ยไต่เข้าสู่ประตูสวรรค์ได้ศีลเป็นบันไดให้ขึ้นให้เราเนี่ยเข้าสู่สวรรค์ได้อย่างอื่นไม่มีทางที่จะไปสวรรค์ได้นี่เป็นอนิสงของศีลและถ้ายังตราบว่าหรือ บุคคลที่จะเข้าถึงซึ่งประตูพระนครคือพระนิพพานบุคคลเหล่านั้นจะไปด้วยปัจจัยอย่างอื่นเนี่ไม่ได้ต้องไปด้วยศีลเท่านั้นศีลเนี่ยเป็นบันไดที่พาเข้าสู่ประตูพระนิพพานได้นอกจากจะไปสวรรค์และวยังไปนิพพานได้อีกนอกจากนี้ประการสุดท้ายท่านยกตัวอย่างว่าบรรดาเครื่องประดับทั้งหลายในโลกนี้ ที่เราประดับกันอย่างอลังการจะเป็นเพชรนินจินดาหรือสิ่งใดสิ่งหว่ก็ตามที่เราประดับประดากันอยู่เครื่องเครื่องประดับเหล่านั้นน่ะก็ยังไม่ประเสริฐเท่ากับศีลศีลเป็นเครื่องประดับอันประเสริฐฉะนั้นบุคคลซึ่งเป็นผู้มีศีลแล้วไม่ต้องไปประดับตกแต่งอะไรก็ดูงดงามได้จากความเป็นผู้มีศีล สินจึงเป็นเครื่องประดับอันประเสริฐกว่าบรรดาอาภรณ์ใดๆในโลกนี้ทั้งหมดไม่มีอาภรณ์อันใดจะประเสริฐเท่ากับความเป็นผู้มีศีลท่านต่างหลายจะสังเกตได้ว่าคนที่มีสินเนี่ยไม่ต้องประดับบรรดาอะไรก็ดูเป็นคนที่น่าเคารพน่านับถือเพราะว่าความเป็นผู้มีสีลเนี่ยทําให้เกิดความรู้สึกว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ที่น่าเคารพน่านับถืออย่างเราเห็นครือหัสถบางท่าน ที่เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลเราเห็นและเราก็รู้สึกว่า อ, อ๋อท่านผู้นี้เป็นคนที่น่าเคารพน่า น, นับถือเพราะว่าออลักษณะของบุคคล น, นั้นย่อมสอนถึงคุณธรรมอันหนึ่งเหมือนกันอย่างคนมีศีลเนี่ยคนที่มีจิตใจประกอบด้วยภูมิวิหารเราเห็นและเราก็รู้สึกเยือก เ, เย็นและก็รู้สึกเคารพว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ที่น่าเคารพเราเห็นลักษณะแล้วเราก็เกิดความนับถือขึ้น แต่บางท่านก็เห็นแล้วแหมคลอแกแผลเต็มทีหรือกระร้องกระแร่งเต็มทีจนกระทั่งเราเองก็ไม่รู้สึกไว้ใจบางทีเห็นแล้วก็ไม่ไว้วางใจแต่บางท่านก็เห็นแล้วรู้สึกสนิทสนมรู้สึกอบอุ่นละอ้อท่านผู้เนี้เป็นคนมีศินไว้ใจได้ความเป็นผู้มีศินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากฉะนั้นบรรดาเครื่องกระดับต่างๆในโลกนี้ท่านจึงบอกว่า ไม่มีเครื่องประดับอันใดหรือไม่มีอาภรรษอันใดที่จะประเสริฐเท่ากับศีลนี่พูดถึงศีลในด้านของเครื่องประดับประการสุดท้ายประโยชน์ที่เราได้จากศีลก็คือขจัดความกลัวความหวาดกลัวแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือขจัดการติดตนเองได้ คนทั้งหลายลองพิจารณาดูให้ดีนะการติตนเองได้คือโดยปกติแล้วเราเนี่ยชอบติคนอื่นแต่ตัวเองเราไม่เคยติฉะนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแล้วก็เราชอบติแต่ว่าติตนเองเนี่ยเราไม่เคยติความเป็นผู้มีศีลเนี่ยติตนเองได้เป็นผู้ที่ขจัดจา ก, การติตนเองได้ที่ว่าขจัดความติตนเองได้คือเมื่อเรานึกถึงความประพฤติของตัวเราเองขึ้นมาบ้าง ก็รู้ทันทีว่าไม่มีทางตาหนิอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราเห็นแก่ตัวแต่เราสืบรวจด้วยความเป็นธรรมว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่น่าตาหนิหรือไม่เมื่อเราสืบรวจแล้วเราก็พบว่าเราเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่น่าตาหนิเพราะว่าเราเป็นคนที่มีศีลมีธรรมไม่ได้ไปประกอบกรรมทำชั่วอะไรที่ไหนตัวเราเองก็ไม่น่าตาหนิแต่ว่าคนที่ทาความชั่วไว้หรือถ้าเราไปทาอะไรที่ไม่ดีไว้ พอเรานึกถึงว่าแมมเราทําไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีแม้ว่าใครๆจะไม่เห็นแต่ว่าเราเห็นแม้ว่าใครจะไม่รู้แต่เรารู้ถ้าเรารู้เราเห็นเราก็ติดตัวเองได้แต่ถ้าเราเป็นคนมีศีลแล้วเราไม่ทําอะไรผิดเมื่อเราสำรวจตัวเราเองเราก็นึกได้ว่าตัวเราเองนี่ก็ไม่มีที่หน้าตําหนิตรงไหนจะติดตัวเองก็ติดไม่ได้เนี่ยไม่มีทางที่จะตําหนิ เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากที่เป็นอันดีสงอันสำคัญก็คือการขจัดจความติดตนเองได้ถ้าหากว่าเราไม่มีศีลแล้วนี่เชื่อแน่ว่าตัวเราเองก็ตำหนิดได้เมื่อเราสำรวจไปแล้วเราค้นึกตำหนิตัวเองว่าอ้อเรานี่ทำไอ้นั่นไม่ดีทำไอ้นี้ไม่ดีเราก็จะรู้สึกตาหนิตัวเองแต่บุคคลที่ทำอะไรดีๆแล้วนี่ติดตนเองไม่ได้ไม่มีทางที่จะติด ในอนิสงค์ของศีลมีมากมายอย่างนี้ประโยชน์ที่เราได้รับถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่มีศีลเท่านั้นเราก็จะได้รับอนิสงค์มากมายตั้งหลายอย่างด้วยกันนี่เป็นอานิสงค์ของศีลที่ท่านได้แสดงไว้ในสระคัมภีร์วิสุทธิมรักษเพื่อที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาเพื่อจะนําหลักปฏิบัตินี้ไปใช้ก็ขั้นต้นนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาถึงศีลเสียก่อน ว่าเพียงแต่ว่าเรารักษาศินกันแค่นั้นเราก็ยังได้รับประโยชน์เนี่ยอีกตั้งมากมายหลายอย่างแล้วก็ประโยชน์เหล่านี้เราจะไปทำอะไรหรือจะไปสแสวงหามาโดยวิธีใดๆก็ตามไม่ได้เท่นั้นนอกจากเราจะต้องเป็นผู้มีศินและความเป็นผู้มีศินนั้นก็ไม่ได้จะต้องลงทุนลงรอนอะไรว่าศีนที่เรามีอยู่เนี่ยต้องลงทุนไปซื้อมาเปล่าเลยไม่ต้องลงทุนซื้อ เป็นตะเพียงเราตั้งใจว่าเราเนี่ยจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่รักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดในการมจะไม่พูดเท็จไม่พูดสอเสียดไม่พูดเพิรเจอร์ไม่พูดคำหยาบเราจะไม่ดื่มเครื่องดองของเมาต่างๆจะไม่เสพของมื่นเมาทุกชนิดเป็นแต่เพียงเราตั้งเจตนาไว้อย่างนี้เราก็เป็นผู้มีศินแล้วไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยหรือถ้าเราจะรักษาสินแปดกลับจะพุ่นเศรษฐกิจอีกตั้งแยะ รักษาสินแปดเราก็สมาทานได้เราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่รักทรัพย์เราจะไม่ประพฤติในเมถุนธรรมต่างๆเราจะไม่พูดเท็จไม่พูดสอบเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่ดื่มสราเมไรของมุนเมาทุกชนิดไม่รับประทานอาหารในเวลาวิการทุ่นีกตั้งแยะคําว่าไม่รับประทานอาหารเนี่ยทุ่นอาหารอีกตั้งมือหนึ่ง คาว่าไม่ยุ่งกับเมตุนธรรมต่างๆก็เราก็ไม่ต้องเพิ่มพลเมืองขึ้นอีกตลอดจนเราไม่ต้องไปเสียเครื่องสำอางมาตกแต่งร่างกายาไม่จำเป็นจะต้องประดับประดาไม่ต้องประโคมดนตรีต่างๆหรือรูปไล่ด้วยของหอมนานาชนิดซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ต้องเสียสตางค์เท่านั้นเป็นเรื่องประหยัดเท่นั้นไม่ต้องลงทุนล ง, งรอนอะไรตัวเปล่าๆก็มีสินได้ เนี่ตูกระเ ป, าเป่าโดยสตางกระเป๋าไม่มีสตางค์เลยก็มีสินได้แล้วก็เชื่อแน่ว่าผู้ที่ตั้งมั่นในสินจริงๆก็ไม่อดด้วยอย่างพระนี้ท่านมีอะไรที่ไหนตัตมาไม่มีอะไรมตีตะจีบอรกับสบงนุ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีข้าวฉันทุกวันมีที่นอนมีที่ทำงานอยู่ได้อย่างสบายก็ไม่เห็นว่าจะเดือดร้อนอะไร ก็เป็นแต่เพียงว่ามีศีลเท่านั้นแหละและก็ทั่งทั้งหลายก็มาทําบุญในความจริงเป็นอย่างนี้และตัวเองไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องไปทำไร้ไถนาไม่ต้องไปทํามาค้าขายรับราชการ mm hmm. เป็นแต่เพียงว่ารักษาศีลให้ดีๆก็แล้วกันเท่านั้นเองแม้แต่พระสงฆ์ที่ท่านอยู่กันทั่วๆไปค่อยู่กันอย่างเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าไม่เห็นจะต้องลงทุนลงรอนอะไรเป็นแต่เพียงว่าให้ตั้งใจประพฤติเท่านั้นเองเราก็สามารถทําได้ ทำทั้งหลายที่จะถือศีลห้าศีลแปดเราก็ทําได้ไม่ยากไม่ต้องลงทุนอะไรเพียงแต่สร้างความดีนี่ไม่ต้องไปซื้อไปหาอะไรมาแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปสมาทานกับพระด้วยถ้าเรามีจิตเป็นอสังขาริกคือมีจิตที่เป็นผุ้สนมีความกล้าหาญในการที่จะปฏิบัติคุณงามความดีอย่างใดอย่างหนึ่งท่านทั้งหลายก็สมาทานได้ ปัจจุบันนี้วันนี้กลับไปท่านสมาธถิถสินก็ยังได้เรื่องของศีนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากนี่เป็นอนิสงส์ที่ท่านได้แสดงไว้ในวิสุทธิมัชธเท่านยังได้จาแนกสีลออกไปอีกเรามีปัญหาที่ยังไม่ได้วิสัชนาอยู่อีกข้อหนึ่งก็คือว่าสีลเนี่ยมีอยู่กี่ประเภทเถ้าพูดถึงคำว่าศีลมีกี่ประเภทแล้ว ศีลในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีมากเลินเกินมีมากจริงๆมากจนท่างอตมาเองเกิดความลังเลใจว่าจะบรรยายดีหรือไม่บรรยายดีเพราะถ้าอะไรมันมากเกินไปก็ตามบางทีท่านทั้งหลายก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะศีลมีมากที่ท่านจำแนกเอาไว้มีหลายประเภทแต่ว่าแต่ละประเภทเนี่ยเป็นความละเอียดเป็นความละเอียดที่พิสดารจากศีลห้าศีลแปด สินสองร้อยี่สิบเจ็ดหรือสินสามร้อยสิบเ็ดของนางพิกษุณีหรือสินสิของสมณเนรมีพิสดารออกไปเป็นความละเอียดในด้านของการปฏิบัติซึ่งถ้าหากว่าเราจะเอากันอย่างเคร่งครัดละเอียดละออจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาแต่ว่าแกลงว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะปั้นเปือเกินไป เพราะว่าที่ท่านได้จำแนกเอาไว้โดยละเอียดในคำพีนี่มีมากเหลือเกินที่มีความเกี่ยวพันกันว่าอันนี้ก็เป็นศีลเหมือนกันแต่ว่าเป็นศีลอย่างนั้นเป็นศีลอย่างนี้ซึ่งประเภทของศีลนี้ท่านได้จำแนกออกไปเป็นจาริศศีลบังวาิศศีลบั่งจาริศศีลวารตศศีลเป็นอภิสมาจริยะอภิสมาจริกาอาทิธรมจาริยกะซึ่ง ศีลเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาถึงในด้านการปฏิบัติขั้นละเอียดจนเกินไปนักก็ไม่จำเป็นต้องศึกษาแต่ถ้าจะเอาขั้นละเอียดจริงๆก็น่าศึกษาอยู่เพราะศีลเหล่านี้เป็นเป็นเรื่อง เ, ออเป็นการเชี่ย้เห็นถึงการประพฤติเช่นอย่างอภิสมาจาริยาการเนี่ยคือความประพฤติ ชั้นผู้ดีเรียกว่าคนที่มีศีลเนี่ยคือผู้ที่ประพฤติชั้นผู้ดีหรือเราเรียกว่าเป็นคนดีคือคนที่มีศีลแต่ว่าคนที่จะเป็นคนดีที่เราเรียกกันว่าผู้ดีผู้ดีนั้นนะ่ะจะต้องประพฤติตปฏิบัติอย่างไรจึงจะเรียกว่าผู้เนี้ยเป็นผู้ดีหรือประพฤติอย่างผู้ดีซึ่งในจํานวนศีลเหล่านี้ท่านจําแมกไว้โดยละเอียดถ้าหากว่าท่านทั้งหลายพอจะรับได้ วันอาทิตย์น่าจะบรนยายให้ละเอียดยิบเลยในเรื่องนี้เพรามีเรื่องคือหน้าศึกษาก็น่าศึกษาสมาลังเลใจคือจะผ่านไปหรือก็เสียดายไอ้ครั้งจะไม่ผ่านบรรยายทีเดียวก็เกรงว่าผู้ฟังจะฟันเฟือเพราะฉะนั้นถ้าจะอธิบายกันจริงๆก็ขออธิบายเรื่องประเภทของศีลเนี่ยสักอาทิตย์หนึ่งโดยเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียว แล้วเราก็จะเข้าใจว่าอสินในพระพุทธศาสนาเนี่ยละเอียดละอามากมีหลายประเภท้วยกันแล้วเราจะได้คติอะไรจากการประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยตปอีกแยะเพราะว่าท่านได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันของบุคคลเนี่ยไว้มากทั้งที่เป็นครือขัดทั้งที่เป็นนักบวชว่าไว้โดยละเอียดหมดโดยเฉพาะแล้วก็พระละมากสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของพระเนี่ย สำหรับคดีรหัสนั้นก็ไม่มากมายอะไรนะักแต่พระสงค์เนี่ยรู้สึกว่าจะกล่าวไว้มากฉะนั้นคิดว่าวันอาทิตย์หน้าเราเอาวันศอาทิตย์หนึ่งก็ดีอาตมาก็อยากบรรยายเหมือนกันและคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังมากอยู่ทีนี้ขอให้ท่านทั้งหลายใช้มรสิการมากๆหน่อยเท่า น, นั้น่จึงจะเก็บไว้ได้ไม่งั้นก็คงจะจบแล้วก็เป็นอันมาจบกัน <c oughs> คือเก็บอะไรไม่ได้เลยก็ขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้อะไรไปสักนิดหนึ่งก็ยังดีตอนหนึ่งอาทิตย์ที่ฟังคํำบรรยายนี้เพราะว่าคำภีร์นี้เป็นคำภีร์ที่น่าศึกษาและเป็นคำพีที่รวบรวมหลักพุทธศาสนาไว้อย่างละเอียดละออไว้ในนี้ทั้งหมดก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจถึงหลักพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนอะไรไปบ้างและเราจะเห็นความอัศจรรย์ว่า คำสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไปนั้นนะมีสิ่งอัศจรรย์มากมายวันนี้การบรรยายมาบรรยายเกินเวลาเพราว่ามาช้ากว่าเวลาก็เห็นถ้าจะพอสมควรกับเวลาแต่เพียงนี้จะขอยุติแต่เพียงแค่อ น, นิสงส์ของศีลไว้แต่เพียงนี้ก่อนอาทิตย์หน้าจะบรรยายต่อใหม่ขอขอบใจทุกท่านที่ได้สละเวลามาในวันนี้ครั้งที่แล้วได้พูดถึงเรื่องศีล ซึ่งได้อิบายในสีนันิเทศให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจไปตอนหนึง่งและได้รับปากว่าในวันอาทิตย์นี้จะได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของศีล น, นี้โดยละเอียดพิสดาเพื่อเป็นประโยชน์ต่การปฏิบัติของท่านทั้งหลายบ้างพอสมควรเรื่องของศีลที่ท่านจําแนกไว้ในคำทีพระวิสุทธิมารคนี้ท่านแสดงไว้หลายไตรยายกัน บางนยะก็เป็นประโยชน์แก่ศั้งสาผู้ชนในด้านของการปฏิบัติบางนยะก็เป็นประโยชน์แก่พระสงค์โดยเฉพาะซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับขรึมหในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องของศีลโดรเดียรที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาซึ่งท่านพุทธโกษาจารย์ได้ประมวลไว้ในคำศีนี้ทั้งหมดคือเรื่องของศีลคืออะไรนะท่านทั้งหลายได้ทราบแล้ว วัดศีล น, นั่นคืออะไรและประโยชน์ที่เราได้มีศีล น, นั้นมีอะไรบ้างอริสงเหล่านี้ท่ทั้งหลายได้ทราบแล้วโดยสลอดวันนี้จะได้พูดถึงประเภทของศีลแต่และประเภทที่ท่านได้แยกเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดที่หนึ่งนี้ท่านได้สแสดงถึงศีลเป็นคู่ๆคู่ที่หนึ่งนั่นคือญาริศีลกับวาติศีลญาริศ กับวาริสาจาริสาหรือในภาษาไทยเราใช้คําว่าจารีเช่นจารีประเพณีต่างๆเหล่านี้คำว่าจาริศีล น, นี้คือศีลประเภทไหนและวาฤตศีล น, นั้นคือศีลประเภทไหนจาริศิ น, นี้ท่านอธิบายว่าได้แก่ศีลที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เป็นประเพณีที่อดีต เคยปฏิบัติกันเช่นใดแล้วเราก็จะต้องปฏิบัติกันเช่นนั้นแต่คําว่าจาฤกษ์ ศ, ศีลนี้เป็นศีลที่สาธุชนทุกท่านจะต้องประพฤติปฏิบัติเช่นอย่างพระภิกตุสงฆ์ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานี้ศีลที่ประสงค์จะต้องปฏิบัติก็มีอยู่227ข้อศีล227ข้อนี้พระภิกตุจะต้องรักษาเร่องนี้ก็เรียกว่าเป็นจาฤกษ์ ศ, ศีลได้ ก็เป็นสินที่ภิกษุต้องรักษาหรือท่านสาวุ้ยนทั้งหลายได้ปฏิยามตนเป็นพุทธมามกกเรานับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็ต้องมีสินค้าเป็นเครื่องรักษาการรักษาศินค้กรดีหรือศินสองี่สิบเ็ดีอย่างนี้เรียกว่ายาริส์ศีลสินเหล่านี้เรียกว่าจาริษ์ศีล น, นี่เป็นชื่อของศินที่เราจะต้องรักษากันอยู่ทีนี้วาริศสศีล วาริตรศีลก็คือศีลประเภทที่เราจะต้องเว้นจะต้องเว้นโดยเด็ดขาดเรียกว่าวาริตรศีลเช่นพระสงฆ์จะต้องเว้นอะไรบ้างท่านก็เริ่มตั้งแต่ปฐ ม, าา ป, ม, ามปาราชิกเป็นต้นมาที่นอ่าปาราชิกสี่สังฆทิเศตสิบสามเหล่าเนี้มาตามลํำดับซึ่งพระสงฆ์จะต้องเว้นที่พระสงฆ์จะต้องเว้นอย่างเนี้เป็นวาริตรศีล หรือถ้าสาธุชนที่เป็นพุทธมามะกะจะต้องเว้นจากการฆ่าสัตว์จะต้องเว้นจากการลักรัพประพืชผิดในกามพูดเท็จหรือดื่มเครื่องดองของเมาต่างๆอย่างนี้เรียกว่าวาริตสิงชื่อเหล่านี้ในด้านของการปฏิบัติแล้วก็เหมือนอนกันการปฏิบัติจะต่างกันก็ในด้านของการปฏิบัติว่าเราจะต้องรักษากันอยู่เป็นประเพณี หรือจะต้องรักษากันอยู่เป็นระเบียบแบบแผนที่ท่านได้วางไว้ในอดีตวางไว้อย่างไรปัจจุบันก็จะต้องปฏิบัติกันอย่างนั้นเช่นอย่างศิน227เนี่ยในอดีต ท, ท่านวางไว้แม้พระพุทธศาสนาจะล่วงเลยไปกี่พันปีก็าตามพระสงค์ก็ต้องมีสิน227หรืออุบาสกก็จะต้องมีศิน5อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นชื่อของศินคู่ที่หนึ่ง ทีนี้ชื่อของศินข้อที่สองคืออภิสมาจารอาภิสมาจารหรืออาภิพรมจาริกาสินคาว่าอาภิสมาจารหรืออภิสมาจาริกานั้นถ้าแปลตามศัพท์ก็แปลว่าความประพฤติชั้นผู้ดีความประพฤติชั้นผู้ดีเนี่ยมีความประพฤติอย่างไรบ้างคําว่าผู้ดีนั้นคือผู้ที่มีความประพฤติดี ในที่นี้ท่านหมายถึงผู้ที่มีความประพฤติดีก็คือเป็นผู้ที่มีกายสะอาดและวาจาสะอาดผู้ใดที่มีกายสะอาดคือคนคนนั้นไม่เป็นคนเบียดเบียนผู้อื่นด้วย ก, กายเช่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทรมานสัตว์คนคนนั้นไม่รักทรัพย์ไม่ทุจริตในทางกายทางใจทางหนึ่งคนคนนั้นไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพอเจอไม่พูดคำหยาบถ้าผู้ใดมีการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เราก็เรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ดีผู้ดีนั้นไม่ใช่อยู่ที่ชาติและสกุลบางทีชาติสกุลดีแต่ว่ากายไม่ดีวาจาไม่ดีเราก็ไม่เรียกว่าเป็นผู้ดีไม่เป็นอภิสมาจารคาว่าอภิสมาจารในที่นี้ท่านหมายถึงความประพฤติเราจะเกิดในชาติสกุลเช่นใดก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้ว ถ้าหากว่ามีความประพฤติดีทางกายและวาจาเราเรียกว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ดีผู้ดีอาจจะอยู่กระสอบก็ได้ผู้ดีอาจจะอยู่ข้างถนนก็ได้ถ้าหากว่ามีการประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นหรืออาจจะไม่มีกระสอบอยู่อยู่โคนต้นไม้ก็ได้ถ้าหากว่าผู้นั้นมีกายสาะอาดในวาจาานี่เป็นอภิสมาจารส่วนอาธิปรรมจาริกรนั้น ท่านหมายถึงสีนที่เป็นคุณเบื้องตอน้นหรือเป็นมรดกรมติ